ก็มีเสียงพูดได้บ้างตั้งย่างหูฟังเสียงไม่ค่อยจะดีก็มาตืพวกเร า, ามาสู่ธรรมวินัยพูดเสียงไม่มาขอให้มามาแล้วอยู่เป็นสุขไม่สติ คือธรรมปริดังของพระพุทธเจ้าเป็นศาสตราแทนพระพุทธเจ้าพ่อเช่นนี้พวกเราจึงไม่ใช่ใครแตกหน้ามีแต่ญาติเพืได้เห็นไม่พบการแต่ในไหนบอกว่าอย่างนี้แต่มาที่นี่หายเจรงโล ง, ลง อ, อื้อึดอัดที่อยู่ใจใจอึด อ, อาดครับกายอยู่ได้ครับใจ อย่าให้มันขับใจแล้วพออยู่กันได้นอ้องเป็นคนนอนมากอยู่สลาหน้าก็มีเป็นร้อยทีนี้ก็มีเป็นร้อยสองรนะ้อยนะขี่น้อยก็มาจากเกาะศรีสังมานะจากเกลาเกไม่ใช่เก๋าที่ใดล้วมีแต่ยากาัน พุทธเจ้าเกิดขึ้นมาแล้วในโลกนี้ <c oughs> ตรัสรูช้ชอดด้วยพระ อ, องค์เองไม่มีใครเป็นครูของพระ อ, องค์พร้อมทำปาฏิบัติ์ทำให้เกิดพุทธเจ้าขึ้นมาทำอย่างนี้อย่างนี้เป็นคำเป็นปฏิบัติทธรรมมาพร้อมกับ ก, การตรัสรู้ แต่ตอนนั้นมีเถ่พระพุทธเจ้าและพระธรรมเดินทางจากพุทธคยามาถึงพาราสีวันนี้เจ้าเดินทางอยู่ทั้งหนึ่งเดือนนังจากการตัดสูุวันเป็นเดินนถกเสวยบุตรีจกจูสีบางโพนั้นสี่อาทิตย์เป็นเวลาหนึ่งเดือนพอดีเอาเดินทางมา สามรอยกมมาถึงอิจิ ป, ปตะนะมาลึกคาเชาวันเมืองพราาลานศรีเราก็ปตามวอยวุคนบาทมาแล้วนั่งรถก็ใช้เวลาตั้งแปดชั่วโมงถ้ารถไม่ติดถ้ารถติดก็สิบกว่าชั่วโมงทูอ๋งก็เดินทางด้วยป่าประบาดขอ ง, ข อ, งของเองแต่จะรู้ก็ที่ป่า เชียงทําข้อที่ป่าไม่มีหนังคามองเหมือนเราอยู่ลวบากกว่าเรานี่เรียกว่าป่าอิสิปตนะมฤคธาย ว, วันมาพบปัญจวีอาทิตย์ก่อนประมาณสองวันมาใจ่อาทิตย์ก่อนประมาณวันซืนนี่แหละ ปัญจคีรีหนีจากเกดไม่ยอมรับหาว่าสำนัสมากมากปริปธรรมแบบปกเิดไม่จิงเข้ากิล้ลหา ม, มาตั้ง6ปีแล้วมาจิงเข้าเนี่ยก็เห็นว่าเป็นสำนัสมากมากแล้วพากันหลังเกียดต่อพู้เจ้าเดินมาถึงกพ็พากนันหนีจนมาถึงอิศิปตันลิวาทายวัน ดูเจ้าก็เดินตามมาอีกประมาณสีก่กมร้อนตาก็เดินตามรอยนี้มาเหมือนกันมาพบข้าวันนี้วันพวกนี้เนาะนันเดินเจ็ดเดินเพนเดินแปดในวันพวกนี้มาพบเป็นปัจเจกทีนั่งสนทนาทำกันอยู่ฟางแข้ง แล้เจ้าก็เดินเข้าไปหาพลพย า, าพามบอกว่ามาอีกแล้วตามละไมอีกแล้วสำนักมากๆพวกเราไม่ต้อนรับก็ได้ดอกแต่เรามาต้องลูกนีล่ะนั่งอยู่นี่แหละประสงค์จะนั่งก็ตามใจไม่ประสงค์จะนั่งก็าทางใจไม่ต้องก็สนใจ ไม่ได้ตอนรับเลยนั่งคุยกันเล่นพระเจ้าเดินมาใกล้เข้าโกนทัาพรามเป็นผู้ใหญ่ขวบารามอีกสี่รูปนั้นเป็นเพื่อทำนายพระลักษณะมาแล้วเป็นภรามหน่มสมัยนน้นว่จนได้รอว่าจะได้จัดเรูเป็นพระเจ้าก็มีศรัทธาอยู่เรืๆ่ๆ ก็ลุกไปปูอาสนะไว้ผสมเกตนั่งก็นั่งมาผระสงเกตนั่งก็ไปนั่งก็ได้ไปปูอาสนะนั่งไว้ย่อก็เดินเข้าไปนั่งอาสนะนั่งเขาแสดงธรรมดูก่อนดูก่อนปัญจวัคคียชวนให้ฟังสักหน่อยส่วนคนัญยาก็มองหันหน้ามาใส่ เขาเรียกว่าปัญจพีคนทายาพาฝังหน้ามาต่างกองทรงนั่งอยู่แล้วก่อนปัญจพีเราไม่เคยรู่เราเนี้มาก่อนปัญญาเกิดกันแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นเอาเัตเจรู่แล้ ว, พ, ล ว, ว, อลวพอได้ยินก็ว่าตัตเจลู่คนทายาทพาก็สนใจ ยังหัวฟังจนว่ปปะปฏิยามหานามะอาสชิไม่สนใจเลยยังหันข้างให้อยู่จนวงดและแสดงทำเป็นลำดับไฟเกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่ผิดพลาดมาหกปีใช่ว่าอัตถะสิมทารโยกรรมขันธุการโยเป็นทางที่ไม่ใช่ ไม่ใช่ของแวะต้องเป็นมัชฌิมาปฏิปทาของก็แสดงวายจะไปถึงเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีการทำ ม, มาจะมาเข้าถึงอันนั้นตลนาละกนันสูตรประกอพไปด้วยฤจัตตี ต่อไปจนกันทนย า, าพามได้ตัวายเห็นทเาเกิดขึ้นแสดงไปตามลำดับในการเดินทางในการผิกการถูกเป็นธรรมดาเดาทำมาก่อนได้รู้มาแล้วมาสู่อริษัตยสี่เอเมทุกเมี เดี๋ยวถ้าเกิดทุกข์เป็นความดับทุกข์ดับทุกข์ไปแล้วเป็นที่จะดีที่ยอดเยี่ยมไม่ต้องหาที่จะดีนะที่ได้แล้วั้นการศึกษาชีวิตเหล่านี้เอากายเป็นตาลาเอาจิตใจเป็นตาลาเอาสติเป็นนักศึกษาเข้าไฟเกินเรียบธรรมได้ดวงตาเห็นทรร มาลู่แล้วลู่แล้วสีเค้อองพูดชีวิตเป็นของไม่เที่ยงชีวิตไม่เป็นของเป็นโทษชีวิตั้งใช่โจใช่ตนอนลูกตามนี่ร่างกายจิตใจมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วเจ็บเจ็บตายตายร่างกายใจนี้มันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายตาย มันเป็นอย่างนี้ของธรรมชาติในดวงตานันําเกิดขึ้นรู้แล้วรู้แล้วแต่ความชื่อคนตัณย์พอว่ารู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วหนอรู้แล้วหนอรู้แล้วรู้แล้วเลยชื่ออัญญาอัญญาแต่ว่ารู้แล้วอัญญาคนอัญญาเป็นพระสงค์เกิดขึ้นในวันเป็นดืนแตด ไปนั่นเราเจึงมาตามรอยุคนบาดทำแบบเดียวกับผู้โตองเลยทรงเห็นทำรัตรุูมาเรียว่าภาวนาหรือกว่ากรรมฐานนี้ส่วนธรมนนธรมธาเกิดขึ้นก่อนกรรมวัดมิปจานี้หลายพันปีมาแล้วเป็ฤาษีมูนีนั่งเชี่ยนนั่งน้ำอาพี่นตอบแต่บ้บางมี เสื้อผ้าเขาได้ทำมาแล้วเป็นอัฏฐสิมถาโยกมาช่วยทางต้องมาบำเพ็ญทางจิตใจมีกายมีใจนี้ศึกษาเรื่องกายเรื่องใจนี่เกิดเป็นพทธเจ้าขึ้นมาออสอนบรรญาวิธีได้ดวงต่เห็นธรรมทักบอดเจได้ส่าสัมมาสัมพุโต เป็นตัดจะรูแล้วสอนก็ถึงรู้ตามมาแน่นอนแล้วสิ่งที่เราตัด จ, จรูไม่เป็นหมันมีคนรู้ตามแต่ ว, ว่าพระธรรมพระธรรมนี้ปฏิบัติได้ให้ผลได้รูปปฏิบัติ ต, ต้องทำด้วยตนเองอาศัยคนอื่นทำให้ไม่ได้ ศึกษาด้วยตนเองให้คนได้ปฏิบัติได้เชิญให้มาดูมาดูซิมาทำดูซิผู้ปฏิบัติย่อมรู้ยิ่งเห็นจริงในะทาที่คนรู้คนเห็นได้ตามทุกคนใจผู้ปฏิบัติเราจึงเป็นเรื่องของเราไม่ต้องไปเชื่อใคร เรื่องการกระทําของเราอก็ ม, มันหลงก็รู้นะไม่มีใครหลงไม่มีใครรู้ให้เราเราหลงเองเราก็รู้เองน้องมีสติแล้วก็ประกอบพอเองไม่ได้ของให้เรามันหลงแล้วก็เปลี่ยนก็หลง ก, ก็รู้ได้ <c oughs> อย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรม เป็นสิ่งที่ลี้ขีชีวิตของเราได้แน่นอนไม่ต้องออนวอนอะไรเอาการกระทําหรือว่ากรรมาฐานเนี่ยพระพุทธเจ้าได้อสอนได้แสดงเรื่องนี้ระหว่างการทั้งหว่างวานันเพ็งเดือน8ถึงกลางเดือนเพ็ญเดือนสเวลาแปดเดือนเนี่ย ได้พี่สวดดูสอนลองนี้ดูมีพระหลานเกิดขึ้นหนึ่งพันสองรอห้าสิบลูกคือแน่นอนแล้วเพียงแปดเดือนสอนเรื่องกับประหานเรื่องเดียวพระหันเกิดขึ้นมาหนึ่งพันสองรห้าสิบลูกพระโกยูที่แสดงโอวาทแสดงพโมง อยู่ที่เวทวันคงแล้วจะคืนกลับไปโนนอีกพระห2ึ่งพันรูปนี้นับตั้งแต่วันเพ็ญเดือน8ถึงวันเพ็ญเดือน3นี่8เดือนมีแต่พระขีนาศกเป็นพระหลานทั้งหมดการบวชกับพระทีเจ้าเอกภิกขุสมบัติ ท, ทั้งหมดในจดหมายว่าปฏิโม ในวันเป็นเดือนสามนั่นเรามีรักษาอย่างนี้ไม่ใช่สุ่มสี่สุ่มห้าจึงมีผลมีมากมีผลแน่นอนพวกเราผู้เชื่อฟังคมสอนของพระพุทธเจ้าให้ปฏิบัติชอบตามทำ ใ, ในนี้เรียกว่าหมู่ชาวพุทธบริษัทเคยเป็นพระสงฆ์เป็นมาจนถึงพวกเราตัวนี้ พระสองอ์แรกคือจาติคนยะพระปาเิาียมหาหนามะห้าลูกแลไปทั้งนี้าศักคุณรบทพร้อมดิวานอีก45คนมาฟังธรรมพุทธเจ้าอยากกพ่อแม่ยาตาตามหาให้ศักดิ์รบก ออกหนีจากบ้านมาค่ำคืนมาตามรอยมามาเห็นอยู่ที่ป่าอิสิปตันดังมฤชาญวันเหนรองเท้าวางอยู่จำได้ว่ารองเท้าลูกชายของตัวเองก็ตามเข้าไปในยศักด์คุณลงบดฟังทมอยู่ก็เลยไปร่วมพัง น, นําด้วย เลื่อนดต่ฉันทำเป็นอุปจกวาจิกาคนแรกในระหว่างนี่เหมวนพระพุทธเจ้าไปฉันที่บ้านครอบทัังพ่อแม่ทั้งปัญญาของยักรรษ์ศ์คนบทเลื่อตดวงใจฉันทำเป็นพุทธบ ร, ริษัทเกิดขึ้นมาจนพวกเราทุกวันนี้ไม่ใช่ไม่มีรักษา่านไล จึงเกิดเป็นพุทธวิชัดจะมาขยายมาสู่วังไทยเราพวกเราก็ปฏิบัติกันอย่างนี้งานพิสูจกันดูเป็นเรื่องของเราทุกชีวิตเราหลงเองเราก็รู้เองเราทุกเองเราก็รู้เองมันต้องมีสิ่งที่เปลี่ยนได้อยู่มันเปลี่ยนได้มันปฏิบัติได้ชีวิตของเราเป็นของเป็นมนุษย์สมบัติ ทำีได้รับความชั่วได้มีสิทธิร้0ยเปอร์เาก็เห็นกันอยู่คนที่กลบมาอัดเป็นคนจังไงคนไม่ประมาทเป็นคนจังไงคนเจียรข้าม็คนจังไงเร า, าเห็นกันอยู่ชีวิตเหมือนกันมีกายมีใจเหวัอนกันไม่ใช่เราไม่เห็น บางคนไม่มีโอกาสเดินตามถนนทางอยู่ในตรงไป่าก็ เ, าเป็นคนชั่วจีบสังคมไม่ได้เรากเห็นกันโยหรือมีเวลาจับได้แล้วฉันก็ไปจิตคุกจิตรางก็ เ, เป็นคนชั่วเพราะบาปกรรมพวกเขาทําไมด่ดีแล้วก็เป็นคนดีเดินไปไหนก็ได้ในโลกนี้ถ้ามีโทษนี้ภยัย มีคนส่นรับควบสู้ไปทอนใะไรทิตใดมีสิ่งป้องกันได้ทั่วโลกถ้าเราไม่ดีแม้ที่อยู่ในบ้านเราก็อยู่ไม่ได้เราเห็นกันอยู่คนเหยีดข้ามมีเลือดาันอย่างไงเป็นคนทุกข์คนยากคนลําบากไม่มีอะไรจะอยู่จะกินเป็นคนเกยียดข้านถ้าเป็นคนก่อยขยันก็หาทรัพย์ได้ มีอยู่มีกินไม่ลําบากเรี้ยงลูกเรื่องหลานได้ถ้าคนเจ็ดข้างขเขาช่วยเองก็ไม่ได้แล้วเราก็เห็นอยู่คนดีเป็นยังไงคนทั่วเป็นยังไงคนมีคุณธรรมแม่ตากุณาเป็นยังไงเราก็เห็นกันอยู่บาคนใจร้ายบางคนใจดีเพราะอะไรคนใจร้ายเขาไม่ได้เปลี่ยนร้ายเป็นดีเขาก็ร้ายอยู่ตลอดตาย คนที่ใจร้ายเปลี่ยนเป็นใจดีเขาก็เป็นคนดีได้เหมือนกองค์ครีมานเป็นคนร้ายยังเปลี่ยนเป็นคนดีได้จนเป็นพระอรหันได้มีตัวอย่างอย่างนี้เรามันปฏิปทาอย่างนี้นี่คือเพื่อทำคำสอนคนเล่นกรรมนั้นเป็นยังไงมันก็ไม่จเจริญ จืเล่าเป็นไงสูบุรีเป็นไงก็มีโทษมีภายเกิดโรคไปไข้เจ็บได้เพราะมันเป็นกรรมกระทําของเขาเราจึงต้องมาฝึกตนสอนตนการรับผิดชอบตัวเอง ดูแลตัวเองให้ดีเรีวยกว่าปฏิบัติธรรมนี่มันผิดตรงไหนเป็นเรื่องที่เรามาดูแลตัวเองแท้ๆมันก็มีเรื่องที่จะต้องดูแลอยู่เช่นความหลงมันเกิดขึ้นได้ยังไงเราศึกษามันดูเราก็มีความรู้สึกษาแต่เวลามันหลงเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้มันเปลี่ยนได้ อันหลงเป็นอีกอันเหน่งความรูป้เป็นอีกเรื่องหน่งสัมผัส ด, ดูอย่าไปเชื่อใครหรือเวลาโกรธเปลี่ยนความโกัธเ็นไม่โกดลองดูทำได้ไหมถ้าทำมาได้มันก็ไม่มีคุณค่าในชีวิตเราถ้ามกกันทุกข์ก็เกีดความทุกข์มัก็ไม่ทุกข์อันนีปฏิบัติทำทำหนังนี้เอาใจไปอ้อนวอน เอาเสายกลางทำของเราแท้ๆดอกปีสิ่งที่วางได้สิ่งที่หยุดได้สิ่งที่เย็นได้ในชีวิตเหล่านี้อย่างมือห้านิ้วสิบนิ้วนี้มันทําประโยชน์ก็ได้มาสร้างโทษก็ได้มันก็อยู่กับเรานี่มือห้านิ้วสิบนิ้วมันมใช่แต่ขอมาจากกายมีการมีใจเพื่อทำความดีได้ แต่บางชีวิตไม่ศึกษาไม่ดูแลตัวเองมีการมีใจไปทำควาชั่วก็ได้ในชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราทาก็ดีมันมีประโยชน์ละลายถ้าผัวดีเมียก็มีความสุขเป็นประโยชน์จากนั้นถ้าเมียดีผัวก็มีผัวมีความสุขถ้าผัวดีเมียก็มีความสุขถ้าเพื่อนดีเพื่อนก็มีความสุข ่าติาดีพี่น้องดีลูกหลานดีแล้วก็มีความสุขมันเป็นผลกระทบอย่างนี้จึงเ้วยกว่าบุญค่ำชุนโลกมาทำดีเนี่ยมาเกี่ยวกับร้ายไปกวามดีอย่างนี้ไปต้องอาศัยอะไรอาศัยการกระทำของเรามาประคัศนั่นจะได้เห็นมันมีอันกระทำอยู่ไม่ใช่มันไม่มี ความหลงมันออาไปฟรีความทุกข์ออกไปฟรีความโกรธออกไปฟรีมันเกียดได้อยู่อย่าให้ไม่เอาไปฟรีเราใช้ชีวิตแตถึงมนันนี่มันหลงหรือมันรู้แล้วก็ดูตัวเองดูมันหลงท่อไหนบ้างให้รู้เนี่ยมาดูแล้วเตือนโดยแท้อย่างเนี้ยมันก็ทำไน้อย่างนี้ถ้าหลงอย่างแล้วก็รู้เอง เราทุกข์เองเราก็รู้เองเราโกรธเองก็รู้เองเราบีบเบียนตัวเองเราก็เป็นทุกข์แล้วไม่บีบเบียนตัวเองเราก็ไม่เป็นทุกข์ความหลงไม่เป็นธรรมต่อเราผมรู้จักตัวเป็นทรงมกลัวสัมผัสดูความทุกข์ไม่เป็นธรรมความไปทุกข์เป็นธรรมกว่าความโกรธไม่เป็นธรรมก็ไม่โกรธเป็นธรรมกลัว อย่าเปี่ยนตัวเองถ้าตัวเองเป็นคนกันทำแล้วก็ไปทําต่อคนอื่นได้ถ้าเราไม่เบียดไม่เปลียนตนแล้วมันก็ไม่เปลี่ยนคนอื่นถ้าเรายังไม่มีทําเป็นชีวิตของเราก็ไม่มีทําต่อคนอื่นได้ถ้าเรายังเบียดเบียนตนเองอยู่ก็บปลี่ยนคนอื่นได้มันเป็นผลอย่างนี้ชีวิตเราเนี่ย คนไทยหกสี่กว่าล้านคนเนี่ะอย่าปเปลี่ยนตัวเองได้คนอื่นมันก็จบง่ายๆมันก็จบง่ายๆไม่ยากเอาศาสนามาไหว้ที่กายที่เจตรงนี้ศาสนาของกายมันวันหิวก็กินข้าวมันร้อนก็อาบน้ำมันหนาวผอมผ้ามันเหนื่อยก็พักพ่องมันก็เชื่อได้อย่างนี้กาย เองของใจก็เปลี่ยนได้โยเวลามันทุกขก็เปลี่ยนไม่ทุกข์ได้โยก็ยรูร้เปลี่ยนไล่เป็นดีหรือว่ามีศาสนาถ้ามันโกรเปลี่ยนได้เปลี่ยนไม่โกรธได้อยู่หรือว่าศาสนาของใจไม่ใช่ศาสนาอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่เรานะ่ยต้องปไปสอนทำที่เมืองกีนมา ก็ว่าคนจีนไม่มีศาสนา90ซคนรุ่นใหม่หลานตาเคยบอกว่าเอาะไรเป็นศาสนาแล่าเอาการออนวอนเป็นศาสนาหรือเอาพิธีตีตองเป็นศาสนาหรือเอาวัดว่าอารามเป็นศาสนาหรืออัก็มีวังการศาสนาจริงๆคือชีวิตเรานี้เรามีการมีใจนี้ เรื่อของใจก็ก็เปลี่ยนร้ายเป็นดีมีสติมีปัญญาเอาช่ไหมนะก็หลงด้วยความหลงปัญญาเวลามาทุกข์เปลี่ยนไปความทุกข์ปฏิบัติเราทุกข์เป็นยกตนอคือทุกข์เป็นหรือ ว, ว่าศาสนาแล้วถึงปัญญาจนถึงไม่มีปัญหาหรือว่าพุทธศาสนาเจริญจนถึงมรรคผลนิพพานจบ เลยทีเดียวชีวิตเราเนี่ยไม่ใช่โกรธจนตายหลงจนตายแต่ยังโกรธยังหลงยังทุกอยู่สิวะล่าสมัยแล้วคนมีศาสนาก็าไม่ทุกเขาไม่โกรธเขไม่หลงแล้วเพราะเขารู้จักเปลี่ยนตัวเองได้ช่วยตัวเองได้ก็ช่วยคนอื่นไม่ใช่ช่วยเฉพาะตัวเองนี่เราศาสนาม อ, อย่างนี้ แม่สองแต่ อ, อายุมากแล้วก็ยังมีอยงร้อนวิชาตร้นี้อยู่ยังไม่ยอมเจ่ไปบังกิน <laughs> ไม่ยอมเจ่มีเพื่อนมียงไม่อยากให้ไปก็ไปได้ไม่รู้จักเหนื่อยนะการบอกความจริงเนะี่ยพระเจ้าก็ไปพูดที่สรารานาแต่เบื่อเหนื่อยเหมือนกัน嘛นะ มาวันแรกไม่เหนื่อยนะมาถึงตีสองออกจากกินมาตีห้ามาถึงนี่ทีสองวันใหม่มาถึงทีสองก็ไม่นอนเลยได้ยินข่าวว่าพวกเรามากันจะมน่งมาก็เลยสดชื่นใจก็ไม่นอนเลยแต่วันต่อมาค้นไม่นอนมาคืนเนี่ย วันที่สองก็เหนือ่อยนอนไม่จะมาทมาวัดเลยอ่อนไปเลยถอนวันนี้ก็ไม่เหนื่อยแล้วนี่หลังวัดเสร็จแล้วก็จะไปสอนทำที่ภูเขาทอง อ, อีกนะเพราะฉะนั้นยังมีร่อนวิชากรรมฐานอยู่เพราะต้องบอกกันแล้วเปนเรื่องกระือร่อนที่จุดเลยเพราะเราจะกระตือร่อนหมายที่ปล่อยตัวเองเป็นตุกเตอด์ร่อนอยู่หลงอยู่มันน่าจะช่วยตัวเองนะ้า มันล่าสมัยถ้าหลงถ้าโกรธถ้าทุกข์อยู่มันไม่ใช่คนแล้วมันก็ไม่มันก็เบียดขนนะชีวิตของเรามันไม่เหมือนสัตว์ในฉาบมันมีสมองมันมีภพภูมิต่างๆไปตระโลกเป็นเปเป็ น, ปนสุลกายได้นี่เราเป็นมนุษย์แล้วประเสริฐแล้วรับความทุกข์ ท, วทวความดีได้ใช่สิทธิอันนี้การอย่าประมาท ก็ไม่ประมาทเนี่ยเป็นชีวิตของเราทูเจ้าทรงสั่งสอนเป็นอาวาตขั้งสุดท้ายตอนนั่งหลายจงทำก็มยายงก็มาหมาดให้ถึงพระอมทธเถิดยังคาถาคาตัสปัิมะวาจาร์นี่เป็นมืวาจาร์ภับสอนอเราขั้งสุดท้ายแล้วผมไปประมาทนี้ เป็นทำใหญ่เหมือนรอยเท่าของช้างใหญ่กว่ารอยเท่าสัตว์ทั้งหลายเอาลอยเท่าของสัตว์ทั้งหลายมารวมลงอยรอยเท่าของช้างลอยกวางรอยเจ้งรอยหมูลอยจัดอะไรมารวมลงได้ก็รลอยเท่าหันใหญ่ใช่ไหมเป็นรอยใหญ่เกหยับเป็นหลมกว่าหลุมใหญ่รอยเท่ากว่าไปลงมันก็รวมได้ไม่เล็กลงที่ท้านหมดเลย สองสอนข้อพูะเจ้ารวมลงที่ความไม่ประมาทคือสติสำชญญนี้เองเราจึงมาทำตอนนี้การเมื่อไม่ประมาทต้นนี้ก็ไปได้เรียกว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยมังก็อยู่กับเราแท้ๆวิธีกรรมฐานพระเจ้าทรงสั่งสอนก็ในพระ อ, องคูด การคู่ฉขนเข้าออมีสติการเยียดฉันออกมีสติการเดินไ้มีสติหายใจเข้าหายใออกมีสติให้มันอยู่ที่กายก่อนอย่าเพิ่งไปเกี่ยวกับจิตให้มีสติไปในกายก่อนให้มันเข้มแข็งเหมือนเราเรียนหลังสือต้องมีเกรดดีว1ห2ว2 เกศมันดีไปมึงเข้าหมาพี่เลยได้ง่ายความหลงมันรู้ทำไมเกศมันดีเรียกง่ายที่จะหลงพอฝึกไปฝึกไปมึอง่ายที่รู้ได้เหมือนเราเรียนวิชาทางโลกบางทีพอเห็นแล้วก็รู้ได้แล้วก็ทำได้ด้วยถ้าไปหาตรงเล่มก็ไปไม่ไหนไปไม่ได้เลย โซ่มาแก้คนแจ่ไม่ใช่หลงจนตายทุกคนตายโกรธจนตายมีเหมือนกแต่บางคนที่ฝึกตนสอนตนมีความหลงครั้งสุดท้ายมีความทุกข์ครั้งสุดท้ายมีความโกรธครั้งสุดท้ายได้คือวันนี้เขาไม่ทุกข์กันแล้วก็ไม่โกรธกันแล้วก็ไม่หลงกันแล้วมีแต่เมตตากุณาเข้าไปเทนจิตใจมันก็เป็นที่พึ่งพาใช้อุปนิยดได้ ที่นี้ขอเป็นเมตในเรื่องนี้จะไม่พาลงที่สงทางต่พูดตรง น, นี้จะสอนตรนีการเรื่องเงินไม่รู้ต้องหลายรูกมาแล้วจบมาสูงสูงกันั้งนานเดยนนี้ก็มีจบปัญญาหลายลูกเจ้าว่าก็จบธรรมศาสตร์ตองเจ้าว่าก็จธรรมศาสตร์อาจารย์ดองศิลป์ก็จบาจบอ่ ไปย่มอมาลู ก, กันมาแต่กรมาฐานนี้ไม่มีสถาบันไหนสอนมีกายเป็นสถาบันเราจะขึ้นป้ายไปหน้าวัดสถาบันสติปัฏฐานก็คือชีวิตของเรานี้ไม่เอาวิชาการไม่เอาอาคารอะไรมาเป็นสถาบันเอาชีวิตของเราเป็นสถาบันมันจบได้ เราก็เห็นอยู่ออกายากว่าะกายอไม่ใช่จัดปุกคนตัวตนเราเขาเวทนาจากเวทนาเราก็เห็นอยู่เนี่ยต่อหน้า ต, ต, ต่อตาเราเนี่ยต่อตะก่อนล้วโอกาสมัไปเป็นตัวเป็นต้นความร้อนก็คือค ร, ร้อนความหนาวคือคหนาวความทุกข์กคค็คือทุกข์ความหิวก็คือหิว เรื่อ ง, องใจความโกรธคือกูโกรธความรักคือคกูรักความชังคือกูชังทําตามอาการของกาของใจเสียเปียบกันแล้วบางทีเราเสีเปียบความโกรธมีบ้างไหมฮะมีไหมเสียเปียบความโกรธนะให้กูโกรธนอนอยู่กับเราข้ามวันข้ามคืนไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางบางทีก็ถือว่าถ้ากูได้โกรธตายก็ไม่ลืมเลย ที่ทเราคนโผ่ก็เป็นตัวคนตนฟังเสียเปียบเขาว่นนีประโยชน์ลอยความโกรธอ่ะกไม่กรธมันเป็นธรรมกาเขียนลองดูม่เต็มไปทั่วมีพายมันหลงกายมันหลงเวทนามันหลงจิตแราเอะไรมาเป็นจิตความโกรธว่าเป็นจิตไม่ใช่เลยจิตไม่เป็นอะไร ต้มหลงมัน ม, มันจอนมาคิดเดียวนก็หนีไปถ้าเราไม่ต้อนรับมันเดี๋ยวนี้เราต้อนรับมันดียืดไป้าวหวานข้าวเปลือนมีไหมนะยืดไปเปืือกหนึ่งมีไหมขึ้นหนึ่งมีไมนหนมปั๊บคนนี้สองปีก็มีนะคิดถึงอะไรมันห่อเหยียวขึ้นมามันเกิดจากใจที่มันคิดที่เองมันหลงไปความคิดมีสองลักษณะตั้งใจคิด มไม่ได้ตั้งใจก็มีมีไหมไม่อยากคิดมันก็คิดมีไหมเวลานอนหาเรื่องมาคิดเนี่ยมีไหมนอนไม่หลับพระคมคิดเนียอางนี้น่าจะฝึกตนในบ้านหรือว่าผ่านบ้านเราเวลานอนเราทำอะไรก็หลับคิดเรื่องมาคิดจนฝันต่ขึ้นว่าฝันกลางวันว่าคิด มันก็เป็นอย่างนั้ในชีวิตเราม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเลยฝึกขัดสอนท่านเด็กเนอนก็นอนลมันหลับพักผอนถ้นอนแบบฝันเนี่ยแต่ข้าชั่วโมงก็ไม่อิ่มเด็กเหนื่อยตื่นไม่มาโมยาเป็นเลี้ยวหมดแรงสิ้นแรงพลังงานพลังงานทางขีดก็คชี้กันพังณะทางกายก็ทํางานเท่ากันพักพอดว่าง หยุดบ้างเย็นบ้างเหมือนกับเส้นทางนี่ไม่ใช่วิ่งอย่างเดียวไม่ใช่เดินอย่างเดียวหยุดก็มีเหมือนกันบางโอกาสหยุดก็ไมาหยุดก่อนสลายไม่ใช่วิ่งอย่างเดียวนะใช่ไหมรถเนี่ยเขาซสอนให้มันวิ่งต้องทําให้มาหยุดได้มันจึงเป็นรถใช่ได้ใช่ไหม ถอาโลกคนไหนมีแต่วิ่งอย่างเดียวหันฝ่ <c oughs> าชีวิตเราก็นั้นกลับนะต้องหยุดบ้างต้องเย็นบ้างไม่มีความเย็นอยู่ในความร้อนในชีวิตเราไม่มีความอ่อนเยในความเย็นไม่มีความเฉ้มแข็งอยู่ในความอ่อนแตม่มีความอดทนในความเกียจคร้านมันมีตรงกันข้าม มัดต้นสอนอย่งนี้แล้วมีประโยชน์บ้า ท, ทีเดียวคนไทยทั้งชาติเตี้ยล้วก็มีลูกบีเบียมีเพื่อนในบ้านกันทั่วไปแม่แต่ในพระก็ยังก็ยังเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่อยาจะบอกจะสอนคนมันอยู่นี้มันนี้มันดีนะ เขาทำไมเขาหลงไม่หลงจก็จะได้ไง น, นะทําไมเขายังโกรธไม่โกรธก็ได้เนนะี่ยนะขอให้เปลี่ยนได้หน่อยแต่มันช่วยกันมาได้ต้องช่วยตัวเองเอาเองแล้วหลงก็เปลี่ยนก็หลงไป็นความรู้ซะแล้วมันทุกข์เปลี่ยนก็ทกข์เป็นความไม่ทุกข์ซะเมืนหน้ามือหลังมือเนี่ยมันเปลี่ยนได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้จริงๆเนีนี่เรารับผิดชอบเราเนี่การสุขโต ก็จะหมายสุขโตคืออยู่ดีไปดีมาดีมี่ก่อุไม่เบี่ยนตัวเองไม่เบี่ยนคนเดินวันนี้ก็ต้องขวนเจเวลาเนาะก็พระพร้อมกัน